พึ่งพากันตั้งใจฝึกใจของตนให้มันดีคนเราจะเป็นคนดีได้ก็เกิดจากการฝึกขนนี่แหละไม่ใช่อยู่ไปเฉยๆแล้วมันดีไปเองมันไม่ไม่ไม่เป็นเช่นนั้นมีดพลาดเสียมขวาน อะไรมันจะใช่การได้คุดดินพันไม้ถากไม่ได้ล้วนแต่ต้องเข้าเตาไสจนว่าเนื้อเหล็กมันมีสภาพแข็งแกร่งกล้าด้วยเนียวด้วยคมด้วยยังเอาไปใช้งานต่างๆได้ ตำรวจทหารกลัวว่าจะได้เข้าสู่ในรบเพื่อป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองก็ต้องได้รับการฝึกเปลือเอาใจอย่างเต็มที่สาเหตุที่ตำรวจทหารมันจะแข็งแรงแกวกล้าในสถานวันไว้ต่อข่าศึกศัตรูประเภทใด ลองคิดดูก็ได้ผู้จะเป็นเจ้าเป็นนายเป็นข้าราชการเป็นพ่อข้ากา็ฮะบอดีอะไรโมเนียมันล้วนแต่การฝึกตนมาทางนั้นเลยเพื่อให้เป็นคนดีให้เป็นคนใจดีไม่โมโหดุร้าย อ, อดทนต่อเรื่องมากระทบกระทั่งคิดใจ มันจึงปกครองคนหมู่มากได้จึงนำคนหมู่มากให้ทำคุณงามความดีได้ผู้เป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองก็เหมือนกันก่อนที่จะได้ยกย่องขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ได้ถ้าต้องเรียนต้องฝึกตนเอาจนดีจนมีความรู้ความฉลาด เหนือคนนั่นคนทั้งหลายมองเห็นว่าพระองค์เป็นผู้มีคุณสมบัติสมควรจะเป็นที่พึ่งเป็นร่มเป็นเงาของวระศรีกรได้เช่นนี้ก็จึงได้เชื้อเชิญให้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองปกครองประเทศชาติบ้านเมือง ในสมัยพุทธกาลส่วนมากเป็นราชาทิปไตยพระราชาอยู่เหนือกฎหมายแต่ถ้าพระราชานั้นไม่ประพฤติอยู่ในคุณธรรมอันดีงามก็ใช้อำนาจของพระราชานั้นเบียดเบียนรรยประชาชรขู่รีดเอาเงินเอาทองเขา มาเข้ายุ่งสางสนุกใจสนุกใจนี่เรียกว่าพระราชาที่ไม่ตั้งอยู่ในยุติธรรมก็าทาให้ประชาชนเดือดร้อนไปทั่วประเทศถ้าพระราชาตั้งอยู่ในทศพิตรราชของธรรมเช่นนี้ก็นำให้ประชาฎ ร, าธธ ร, รอยู่เย็นเป็นสุขตามสภาพไม่ใช่ว่า พระราชาจะบันดาลให้ประชาฎรมีความสุขร่ำรวยเงินทองเข้าของเหมือนกันหมดอันนั้นไม่มีใครทำได้ในโลกอันนี้นะเพราะว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมันขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละบุคแต่ละบุคคลก็ทำมาผู้ใด้ันทำความดีมามากผลมันก็ต้องมาก โดยไม่ต้องให้พวกอื่นช่วยเหลือช่วยตัวเองได้เพราะบุญเก่านะั้นมาโดนบันดาลนะ ใ, ให้มีความเจริญด้วยอายุวันลนะสุกขพ์พภะละปฏิพานธ น, านสารสมบัติเพราะมูลบริบูรณ์ผู้ใดทำกรรมชั่วติดตัวมามากทำกรรมดีแต่น้อยอย่างนี้นะเพราะเกิดมาในโลกนี้ ก็มีความสุกขตามน้อยนั่นแหละมีความทุกข์มากมากรรมที่ทำมานะมันก็อำนวยผลให้ได้รับทุกข์ทนทรมานไปธรรมดาคนมีกรรมไม่เวน้นมีร่างกายทุพลภาพสมองก็เสื่อมปัญญาก็ไม่มีมันจะไปหาเงินทองหาลาภหายุทธที่ไหนได้ละ่ะหาไม่ได้ ดังนั้นผู้ที่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่างนี้แล้วนะไม่ควรที่จะทําความชั่วควรจะทําแต่ความดีตั้งอยู่ในความขยันหมั่นเพียรทําความดีให้มันเจริญขึ้นในตนเพราะว่ากายใจอันนี้นะ่ะเป็นที่ตั้งแห่งความดีถ้าใจเราน้อมไปในทางดีพอใจ ในทางกุศลในทางแห่งความเจริญของชีวิตเช่นนี้แล้วก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดแต่ในทางที่เป็นมงคลนำความสุขความเจริญมาให้เห็นดันถึงว่ากายวาจาใจกายวาจาใจของคนเรานี่นะเป็นฐานที่ตั้งแห่งบุญกุศลความดีความงาม ความเจริญลุ่งเรืองต่างๆถ้าบุคคลไม่รู้จักใช้เกิดมาแล้วก็มาห่วงเห็นมันไว้อยู่เฉยๆไม่คิดจะฝึกตนให้ดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้แล้วแม้ผู้นั้นจะมีบุญกุศลนำมาตกแต่งให้มี อ, อวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ก็าตามก็ไม่สามารถที่จะทำความสุขความเจริญ ให้แก่ตัวเองได้อุปมาเหมือนอย่างเหล็กที่ว่ามาแล้วนั่นนหะถ้าเป็นแท่งเหล็กอยองนั้นใช้การอะไรก็ไม่ได้แต่เมื่อนายช่างเขาเอาไปตีเข้าไปให้เป็นรูปมีดพระเสียมขวัญอะไรลงไปอย่างนี้เราจึงเอาไปใช้งานได้ กายวาจาใจของคนเรานี่ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยถึงบุญจะตกแต่งมาแต่บุญที่ตกแต่งมาให้เป็นคนมันก็มีแค่นั้นเนี่ยกำลังของบุญนะบางคนมีบุญน้อยนี้บุญได้ตกแต่งให้แค่ได้เป็นคนเท่านั้นและไม่มีสติไม่มีปัญญาเพราะว่าบุญของตัวมันน้อยคนที่รู้ตัวว่าตนไม่มีสติปัญญาอย่างนี้นะ ก็ตั้งใจศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้ถ้าเป็นเครือข่ายเราก็ต้องให้มีวิชาความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมควบคู่กันไปเร็นความรู้ในทางธรรมเราหาตำรับตำราเกี่ยวกับธรรมะมาดูมาท่องมาจำเอาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ถือโอกาสเข้าวัด ฟังธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าจากพระสงค์องค์เจ้าตามการตามเวลาเท่าที่จะมีเวลาอย่างนี้แล้วจิตใจก็จะธรรมะก็จะซึมซาบเข้าสู่จิตใจใจก็จะดูดดื่มอยู่ในธรรมะเมื่อเมื่อมีธรรมะอยู่ในใจแล้วการธรรมาหาเรื่องเทีพอย่างไรมันก็รู้จักเลือกมาเนี่ เพราะว่าธรรมะมันเป็นเครื่องชี้บอกแล้วทำอย่างนี้มันเป็นบาปทำอย่างนี้ไม่เป็นบาปไม่เป็นโทษเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นธรรมะชี่บอกไว้แล้วดังนั้นผู้มีธรรมะอยู่ในใจแล้วการธรรมาหาเรี่ยงชีพก็มกักจะเลือกอาชีพที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นการอาชีพนั้นสำคัญมากนะต้องคิดให้ดี บุคคลทำบาปอยู่ในโลกอันนี้มันล้วนแต่เรื่องอาชีพเนี่ยมากกว่าสิ่งใดทั้งหมดเลยอะเช่นทำการค้าการขายเอารัดเอาเปรียบแก่ลูกค้าผู้มาซื้อเอากำไรมากเกินควรโมนี้ก็เพราะความอยากได้เงินมากๆนั่นแหละมาเลี้ยงชีวิตของตนและครอบครัวแล้ ว, ออวลไม่คำนึงถึงลูกค้าผู้ที่ยากจนทั้งหลายเขาก็ หวังพึ่งผู้มีบุญวาสนากลับไม่มีเมตตาต่อลูกค้าเเลยบางคนสาวได้สาวเอาอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่ามันเป็นมิจฉ า, าชีพเป็นอาชีพพิพิษบางคนได้เป็นข้าราชการงานเมืองเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจในกระทรวง สับวงกลมต่างๆเช่นนี้ก็ให้ผู้ที่มีความโลภจัดอยู่ในใจก็หาหนทางช่อกงเอาเงินหลวงไปเป็นสมบัติส่วตัวทำให้เงินในท้องพระคลังลอยล้อลงจะเอามาแบ่งสันฟันส่วนให้ไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองก็ไม่เพียงพอ เพราะว่าพระราชการผู้ปกครองบริหารช่วยกันช่อ ก, กันโกงกันแบ่งเอาไปโดยไม่ชอบด้วยศีลธรรมหรือกฎหมายอย่างนี้นะนี่แหละประเทศต่างๆที่มันล่มจมลงนั้นนะก็นเพราะผู้บริหารประเทศนั้นไม่ตั้งอยู่ในยุติธรรมหาเลี่ยงชีบในทางสุจริตการช่อการโกงอย่างที่ว่ามานั้น เอาถ้าเป็นชาวนาชาวสวนก็ดีหากว่ามีความโลภความโกรธจัดอยู่อย่างนี้มันก็มักจะไปแย่งเอาแดนนาแดนสวนของผู้อื่นใช้อำนาจเงินหรืออำนาจอิทธิพลอะไรต่ออะไรเข้าไปให้ผู้มีวัฒนาน้อยมีอำนาจน้อยก็ต้องยินยอมให้เขาผมเหงไป แ้่เขายึดเอาสมบัติของตนไปโดยที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้ต่อสู้อะไรเลยอย่างนี้ก็มีอยู่ถมไปในโลกนี้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่ า, าพระพุทธเจ้าจึงตรัตว่าโลโกธรรมานังปาริปันโถความโลภแห่อความโลภเป็นอันตรายแห่งการปฏิบัติธรรมเป็นความจริงนะ บุคคลผู้มีความโลภจัดยิ่ยงนั่นมันจะมาประพฤติตนให้ตั้งอยู่ในสุดจริต ธ, ธรรมนี่มันทําไม่ได้มันก็รู้ตัวเพราะฉะนั้นถึงไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมเลยคนที่มีความโลภโลภจัดความหลงจัดอยู่ในใจดังนั้นเมื่อพูดมาถึงตอนนี้แล้วนะจึงมาโว้เข้าสู่ว่าไอ้จิตใจคนเรานี่นะ มันจะดีมันจะมีความสุขมันจะพ้นทุก์ได้ก็พราการฝึกฝนแต่การฝึกต้องต้องให้มันถูกหลักวิกชาของพระพุทธเจ้าถ้าฝึกไปในหลักวิกชาอ ย, ย่างอื่นไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ถ้าผู้ใดมายึดเอาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเครื่องฝึกกายวาจาใจของตนอย่างเนี้ย นภาเป็นทางในความสุขความเจริญโดยตรงเลยไม่ใช่โดยอ้อมแล้วนั่นให้พิจารณาดูให้ดี <c oughs> กายวาจาใจของเราอยู่ทุกวันนี่นะ่ะเราได้ประพฤติให้ตรงต่อพระธรรมคําำคำสอนหรือไม่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองจะไปปล่อยให้คนอื่นตักเตือนว่าเกาวต้นจึงจะทําทความดีได้อย่างนี้ไม่คิดเห็นไปอย่างนั้นอนะ่ะ ไม่ถูกผู้เชะนั้นเรียกว่าไม่คิดที่จะพึ่งตนเลยอคิดพึ่งแต่ผู้อื่นทำความดีอะไรก็เอาแต่ผู้อื่นนําตนเองคิดไม่ได้เลยอย่างนี้นะมันไม่ถูกทางแะ่แรแบบนั้นนะถ้าเผื่อว่าเขานําไปทางผิดเราก็ต้องเป็นผู้ผิดไปตามเขาอย่างนั้นถ้าเขาําไปทางถูกก็พ้นชั่วน้อยแต่มันไม่แน่นอนอืม ถูกเราสะดับตรับฟังดูาำรับตำราแล้วพิจารณาให้แน่ใจว่านี่แหละคือข้อปฏิบัติทางพ้นทุกพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้แน่นอนเลยไม่มีผิดจนให้มันรู้ชัดขึ้นในใจอย่างนี้แล้วก็ดำเนินไปตามข้อปฏิบัติด้านนั้ น, น, นมันก็มีผลแล้ววันนี้นะ มันทำให้มีสติมีปัญญาทำให้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วขึ้นมาได้ตัวเองโดยมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้บอกอันนี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสไว้ว่าธรรมกามโมภวังโหติผู้ใครในธรรมเป็นผู้เจริญดังนี้ ก, กักผู้ไขในธรรมก็หมายความว่ายินดีปฏิบัติตามนั่นเองเนี่ยไม่ใช่มีความยินดีพอใจในคำสอนอยู่เฉยๆแล้วไม่ลงมือปฏิบัติตามอย่างนั้นมันก็ไม่มีผลอะไรต้องลงมือปฏิบัติตามจริงๆฉะนนอย่างให้ทานอย่างนี้นะก็ขวัญขวายทำการงานขยันหมั่นเพียรรวบรวมเงินทองเข้าของให้ได้ โดยนึกในใจอยู่เสมอว่าเราจะต้องเกิดมาสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันทำการงานให้ได้เงินได้ทองเข้าของมานอกจากว่าเราจะได้แบ่งทำบุญให้ทานไปแล้วเราก็จะได้แบ่งเอาไว้เลี้ยงชีวิตได้มีโอกาสได้เข้าวัดฟังธรรมแม้จะหาทำการงานไปสักวันสองวันก็ไม่ถึงกับอดอยาก เพราะว่าได้รวบรวงเงินทองเข้าของไว้มากพาอสมควรแล้วนง่นผู้ที่ได้มีโอกาสได้สร้างบุญบา ร, รมีได้ทำความดี อ, อ, อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญด้วยศาสนะวัตถุด้วยวัตถุสิ่งของต่งตางๆมีโบสวิหารเป็นตน้นก็ร่วนตั้งแต่อาศัยคนที่ ขยันมันเพียรมีเงินมีทองพอใช้พอสอยเหลือใช้เหลือสอยทั้งนั้นเลยกว่าจะได้สร้างวัดวาอารามให้เป็นพี่น่าลื่นลมบรร ท, ทิงใจในการอยู่ปฏิบัติทำเพื่อความสงบทางจิตใจ้องคิดดูให้ดีเงินทองนี่ ถ้าว่าใช้เป็นนะมันก็เป็นประโยชน์อย่างนี้แหละถ้าใช้ไม่เป็นมันก็เป็นโทษเหมือนอย่างไฟอย่างนี้นะถ้าบุคคลใช้เป็นก็สาเร็จโดยการหุงต้มทำอะไรต่ออะไรหลายอย่างไฟนี้ถ้าใช้เป็นแล้วมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์มหาศาลถ้าใช้ไม่เป็น อ, อย่างไฟฟ้าอย่างนี้เอา ใช้หุงต้มแล้วไม่ถอดสวิคปล่อยมันไว้นั้นบังเอิญว่าไฟฟ้าเขามาแรงอันนี้นะมันทำให้เกิดช็อตขึ้นมาแล้วมันก็ไม่บ้านไม่เรือนนั้นให้วอดวายลงไปได้หรือว่าใช้ต่างๆงานต่างๆแล้วไฟฟ้าเนี่ยไม่ถอดปลั๊กไม่เก็บให้เรียบร้อยเช่นนี้แล้ว มันอาจเกิดอุบัติเหตุอะไรอันหนึ่งเกี่ยวกับไฟนี่ได้มันเกิดมาบ่อยๆจนว่าบ้านช่องของคนชิปหาวายวอดไปเยอะแย ะ, ยะหรือว่าโรงงานต่างๆหมดนี้นะนั่นบุคคลใช้ไม่ระมัดระวังอะ่ะดังนั้นพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมในวารสารนานนี่มันต้องคิดต้องให้เข้าใจในเครื่องบริโภคใช้สอยต่างๆหมนี้ ต้องให้รู้ว่าอะไรมันจะมีภัยไม่มีภัยแก่ตนทำอย่างไรมันถึงจะไม่มีภัยอย่างนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่นะ ถ, ถ้าใช้เป็นก็มีคุณมีประโยชน์มากมายถ้าใช้มาเป็นก็มีโทษมากมายเช่นเดียวกันนั่นเราต้องเรียนรู้ผู้ปฏิบัติธรรมนะมันต้องรู้ทุกอย่างเลยรู้ว่าสิ่งนี้มีคุณสิ่งนี้มีโทษ ควรระวังควรรักษาอย่างไรอย่างนี้นะเราต้องคิดเราใช้สอยสิ่งใดเรามีสมบัติอันใดอยู่ในต้นเราก็ต้องคิดดูแรลรักษาสมบัติอันนั้นอย่าให้มันสูญหายอย่าให้มันเกิดอุปติเหตุเป็นอันตรายต่างๆหมู่นี้ในจิตใจนี้ถ้าฝึกให้มันตั้งมัน่นเป็นสมาธิแล้ว มันสามารถที่จะรอบครอบในหน้าที่การ ง, งานได้หลายอย่างอนอกจากวันเทากิเลสตัหาเบาบางแล้วก็ยังเป็นเหตุให้รู้รอบครอบรอบตัวและรักษาตัวไม่ให้มีภัยอันตรายมาถึงตัวได้คนผู้ไม่รักษาจิตไม่ควบคุมจิตตัวเองเมื่อมีใครมายุ่งให้โกรธก็โกรธขึ้นมาเลยอย่างนี้นะนั่นเดียวมันเสียไปแล้ว มันเสียสถาบันของการปฏิบัติธรรมมันไม่สมกับผู้ปฏิบัติธรรมดัะนั้นถ้าปฏิบัติไม่ถูก ก, ก็อย่างว่ามันเป็นเช่นั้นแหละเมื่อจะปฏิบัติอยู่นานอย่างไรมันก็ไม่ได้ผละฉะนั้นทางที่ปฏิบัติที่ถูกนะก็ตามรักษาจิตทุข์สนอยู่เสมอเสมอ คนทําจิตให้สงบปลปร่งไปตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอย่างไรแล้วก็พยายามควบคุมจิตนั้นด้วยสติสัมปชัญญะอยู่เสมอเมื่อจิตที่ถูกสติสัมปชัญญะควบคุมว่าอยู่อย่างนั้นนะเมื่อมีเหตุไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็กําหนดรู้ทันได้ห้ามจิตตัวเองได้ไม่วันไวไปตามความชั่วของผู้อื่นเนืบ ไม่มันไดไปตามภัยพิบัติอะไรต้องอะไรก็ช่างนะที่มันเกิดขึ้นนะนี่มันมีคุณมีประโยชน์ในะการฝึกผลจิตใจถ้าเราตั้งสติไว้ให้ถูกทางเรากําหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักนะเป็นหลักเครื่องเครื่องประคับประคองจิตนี่นะอย่าไปลืมปัจจุบันกันแล้วกันนะผู้ปฏิบัติจิตแท้จริงนะมันอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะไม่อยู่ในอดีตอนาคตเลย นั้นเราจึงเอาสติเข้าไปควบคุมจิตอันเป็นปัจจุบันนี่ยอยู่แล้วกำหนดรู้เท่าสิ่งต่างๆที่มันสัมผัสมาที่มันเกิดขึ้นถูกต้องมาอย่างไรอย่างไรเรากำหนดรู้เท่าไม่ยึดไม่ถือเอามาเป็นอารมณ์ไม่ยึดไม่ถือเอาด้วยความยินดีความยินร้ายความเสียใจต่างๆเราไม่ให้มันเกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะออา โดยที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสาระแกนสารอะไรที่จะมาเสียใจดีใจอย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่สมควรนะสอนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วใจมันก็ยับยั้งอยู่ได้เมื่อเมื่อเมื่อเราสู้กับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆไปมันก็ได้สติได้ปัญญายิ่งขึ้นไปจิตใจมันก็เข้มแข็งไปเรื่อยๆนี่การฝึกฝนตนทาให้เป็นคนดีมีความสุข มีใจเข้มแข็งรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงละเอแฉงทุกข์ได้โดยลำดับดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้